ทำชุมชนให้สามคัคคีธรรมกาถาเมื่อวันมหาปวารณาวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2549ขออนุโมทนาทุกท่านในที่ประชุมสงฆ์นี้ที่ได้มาร่วมกัน ประกอบสังฆกรรมในการทำมหาปวารณาก็มีทั้งท่านพระนักศึกษาจากน้าทองศิกขานไหลที่ได้มาร่วมกับประสงค์ที่วัดนี้ก็มาประกอบสังฆกรรมด้วยกันก็ได้มาทำโมโสดด้วยกันมาตลอดพรรษาแล้วความจริงก็ มีชีวิตแห่งการศึกษาเจริญไตรสิกขาร่วมกันนั่นแหละนั่นลระก็ถือว่ามีความเสมอกันร่วมกันแล้วก็สามัคคีกันตลอดมาแล้วก็หวังว่าต่อเนื่องสืบไปวันนี้ก็เป็นการ ทำสังฆกรรมสำคัญที่เป็นเครื่องหมายด้วยว่าเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาก็ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพุทธบัญญัติพิเศษมีขึ้นสำหรับวันเพนขึ้นส5บห้าคำเดือนส1บอในวันสุดท้ายของพรรษานี้แทนการทำาอเบสดคือแทนที่จะ ธรรมโบสดคือการฟังปาติโมกการสวดปาติโมกกันตามปกติก็เปลี่ยนเป็นทำรรปวารณาเรียกว่ามหาปวารณาก็เลยเรียกวันนี้ว่าวันมหาปวารณาเรื่องราวในการที่มีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับปวารณานี่ก็มาทบทวนกันอีกทีหนึ่งแม้จะทราบกันอยู่ก็ควรจะเอามา ยกขึ้นทบทวนไปไวการย้ำกันอยู่เสมอเสมอก็คือเรื่องของการภาวนานี้ก็สืบเนื่องมาจากการจำารรษาก็มีเรื่องว่าพระภิกษุจำนวนหนึ่งที่จำารรษาร่วมกันท่านมาคิดกันว่าจะอยู่อย่างไรดีจะสามัคคีกัน แล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่พรรษานี้จะได้เป็นอยู่การดําเนินไปอย่างมีประโยชน์มากที่สุดตามความคิดเห็นของท่านเหล่านี้ก็คิดว่าถ้าเราไม่พูดกันนี่คงไม่ค่อยมีเรื่องแล้วก็นอกจากว่าไม่ค่อยมีเรื่องอาจจะไม่ทะเลาะเบาแวงอะไรกันไม่ขัดแย้งกันแล้วก็ จะได้ตั้งใจทำกิจของตนในการปฏิบัติเต็มทีด้วยก็เลยมาตกลงกันก็เรียกได้ว่าวางกติกาว่าตลอดพรรษานี้สามเดือนเราจะไม่พูดกันละถ้าเรียกภาษาพระก็เรียกว่าเป็นการถือวัดชนิดหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติประจำว่าไม่พูดกันก็ตกลงกันไว้ว่า ว, วันๆหนึ่งจะทำอะไรบ้างและมีวิธีปฏิบัติยังไงก็ทำไปตามนั้นและไม่ต้องพูดจาไม่ต้องปลาใสท่านก็อยู่กันมาอย่างเนี้ยเชีงกระตังตลอดพรรษาเมื่อครบสามเดือนแล้วออกพรรษาก็เลยเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมเนียมจะตรัสถามทักทายถามสุขทุกข์เช่นว่ากัจจิพิกเวขานียังกัจจิยาบณียังกัจจิสมักหาส ม, ม, มุทมาณาวิวัธมาณาภาสสุขังวิหาริทัวิอวสิตาอะไรพวกเนี้ยน่าจะปนณเกณนะอรพิทกษนีก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายอยู่กัน อย่างชีวิตให้ดนเนินไปได้ดีๆมีความสามัคคีกันมีความเป็นอยู่ผาสุกไม่ละบากด้วยการบิตะบาตอะไรอย่างนี้พระเหล่านั้นก็กำลังมีความภูมิใจว่าตัวได้มีข้อปฏิบัติพิเศษซึ่งไม่เคยได้ยินว่ามีพระที่อื่นปฏิบัติก็เลยนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยก็อยู่กัน ภาสุขดีและยังได้มีข้อปฏิบัติพิเศษตกลงกันไว้ด้วยก็คือไม่พูดกันเมื่อพระเหล่านั้นกลับทูลพระพุทธเจ้าจบพระพุทธเจ้าแทนที่จะทรงอนุโมทนายินดีด้วยกลับทรงติเตียนเลยรัดเรียกว่าเธอพวกโมคบุรุษเรียกเป็นโมคบุ ร, รุษเวลาเรียกพระที ประพฤติไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้พระเจ้าจะใช้คําโมโหขบุรุษเธอทั้งหลายนี่อยู่กันอย่างปัสสุสังวาสว่าไงนะใช้คําว่าปัสสุสังวาสก็อยู่กันอย่างปัสสุสัตว์นั่นเองอะปัสสุสัตว์ก็คือสัตว์เลี้ยงมันไม่พูดกันแล้วก็ประมตะวัสะอยู่อย่างผู้ประมาท จัดติเตียนถึงแสดงโทษต่างๆของการปฏิบัติเช่นนี้แล้วก็ส่งวางสิกขาบทการปฏิบัติอย่างนี้ที่ถือวัดไม่พูดกันเนี่ยก็มีศับเรียกว่ามู่ขวัดหมู่ค้าก็แปลว่าคนใบมู่ขวัดก็คือวัดของคนใบหรือข้อปฏิบัติของคนใบแต่บาลีก็ มันจะใช้เป็นรูปผอก็เป็นมูขับพัดตังหรือมูขัพัดตังหรือมูคับพัดตั ง, บ, ตงบางทีวัตตะนี่เวลาใช้ภาษาบาลีเป็นวัตตะก็มีเป็นวัตตะก็มีแต่พูดง่ายๆก็คือมูขวัตนั่นเองพุทธเจ้าก็ตรัสสิกขาบทไว้ว่าณพนะิกขเวมูควัตตังติทยสมาทานัง สมาธิยิตปังโยสมาธิยยะอาปฏิทุ ก, กตัสสะว่านก็นบอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงสมาทานข้อปฏิบัติหรือข้อถือกันของพวกเดรัถีนะนี่เรียกว่านี่เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติเดรัถีเลยนะติเตียสมาทานคือมูขวัต ในทีน่นี้ติทยสมาทานั้นมีหลายอย่างในเตอนนี้นี่ก็มูควัตการถือปฏิบัติอย่างคนใบ้ไม่พูดกันมูควัตที่เป็นติทยสมาทานผู้ใดถือมูควัตต้องอบัตทุกกฏอันนี้ก็เป็นพุทธบัญญัติห้ามไว้อันนี้ก็ขอแทรกหน่อยเรื่องมูควัตเนี่ยแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีในบางศาสนาที่ถือเคร่งครัด อย่างในเมืองฝรั่งเนี่ยก็มีบางลัทธินิกายเขาศาสนาคริสที่ถือปฏิบัติเคร่งก็เข้าไปในวัดเขาและก็นักบวชเขาซึ่งเขาเรียกว่ามัง k s ในกรณีนี้ก็จะไม่พูดกันพอเข้าเขตนั้นแล้วก็ไปอ่านว่าไม่พูดกันนี่ก็อย่างถือกันอยู่แต่ว่าในพุทธศาสนานี่มีพุทธบัญญัติห้ามไว้ เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามการถือมูควัตแล้วก็ทรงบัญญตัญติอนุญาตให้สงฆ์ทำปวารณาเป็นข้ออนุญาตต่อจากการบัญญัติห้ามมูควัตนั้นเลยก็หมายความปลารบมูควัตนี่แหละก็แทนที่จะให้ถือมูควัตก็ให้มาทำปวารณาว่าให้ พระภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกันตลอดสอนพันษาแล้วเนี่ยให้ปวรณาโดยสามสถานะโดยทิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวาก็คือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยระแวงสงสัยดังที่เดวได้กล่าวกันไปเนี่ยนี่ อันนี้ก็เรียกว่าปวารณานี่ก็คือพุทธบัญญัตินี่เกิดขึ้นมาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนาที่ให้เห็นว่าต่างจากข้อปฏิบัติแบบเดรัจฉีที น, นี้สาระสำคัญเขาปวารณาคืออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรคาว่าปวารณานี้ก็ความจริงที่แปลกันเป็นหลักก็แปลสองอย่าง คือตัววรรธาธตุในกรณีนี้อันนี้พูดเป็นเรื่องภาษาบาลีกันหน่อยอันนี้แทรกเป็นถือเป็นความรูป้ประกอบท่านว่ามาจากวารรธาธตุวรรธาธตุมีความหมายในกรณีนี้ท่านแยกเป็นสองวรรธาธตุในอิจฉาในความหมายว่าปรารถนาอย่างหนึ่งและวรรธาตุในความหมายว่าอัจเชสนะแปลวาการชิญหรือการเชื่อเชิญอย่างหนึ่ง ในในความว่าปรารถนาในตอนนี้มันเป็นเหตุกาตัวจกแล้วเราใช้ก็เป็น เ, เป็นเหตุกาตัวจกก็แปลว่าให้ปรารถนาให้ปรารถนาแล้วก็เลยถือเอาความว่าเชิญอันนี้เป็นการต้องตามนัยยะของศรรพัพอีกทีหนึ่งแล้วก็ เอขอว่ะแปลว่าปรารถนาว่ะขอไภว่าละอีกอย่างหนึ่งแปลว่าห้ามเอ อ, อลืมไปวราธาตุในแปลความหมายหนึ่งว่าห้ามนีเอาความหมายหลักเอายงี้ก่อนนะว่าห้ามกระปรารถนาเขาโทษเธอพูดเผลอไปแล้ววราธาตุในความหมายว่าห้ามอย่างหนึ่งแล้ววราาตในความหมายว่าปรารถนา นปราตนานี่ก็ในที่นี้ก็เป็นให้ปรารถนาให้ปรารถนาก็มาตรงคำว่าอัชเชสนะก็คือเชิญอันนี้ความจริงการใช้ทั้งสองความหมายก็มีในพระไตรปิฎกในพุทธบัญญัติเนี่ยอย่างความหมายว่าห้ามก็ในโภชนาวัร์ของปาจิตติยสิขาบทเนี่ย โคชนะวัตที่ 4, สี่บทศึกษาบทที่ห้าก็มีนี่โยปนภพิคุพุทธาวีปวาริโตนี่ตัวนี้พุทธาวีปวาริโตเนี่ยปวารณาโยปนะพิคุพุทธาวีปวาริโ ต, าาโา ข, าาโตขาดนียังวาโภชนียังวาขาดไชยวาพุญไชยวาปาจิตติยังภิกษุใดฉันแล้วห้ามพัดแล้ว แล้วก็เคี้ยวกินก็ดีบริโภคก็ดีซึ่งขาธนิยะโภชนิยะเป็นปาจิตตินีอันนี้ก็เป็นห้ามทีนี้เชิญก็คือใช้ในกรณีนี้ก็ในความหมายว่าให้ปรารถนาพาเชิญก็พรารถนาอย่างเนี้ยนี่ในเรื่องห้ามในวรทาเ น, นี่ใช้เยอะอย่างนิวร อ, อาวรสังวในอพวกนเนี้ยนย ตรงข้ามกับเปิดอันนั้นเป็นปิดเป็นห้ามเปิดก็วิบลก็มาประวารณนาบางทีเราก็แปลว่าเปิดโอกาสเนี่ยใช่ในความหมายยังไงมันกันเรื่องของศัพท์ก็ฟังเป็นเพลงความรู้ประกอบเอาไปว่าในกรณีนี้ท่านแยกว่าอย่างนี้นี่เป็นการพูดไปตามคัมภีร์รุ่นหลังๆเรียกว่านิรุตติปทีปณีบ้างสัตตินิติบ้างท่านก็ว่าไปอ้าง อย่างนี้รุติธีปณีก็อ้างอภิธานัปปถิกาในสองความหมายที่ว่าเนี่ยก็รวมความก็นี้ก็คือที่มาของสับที่ท่านพยายามวิเคราะห์ไปแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญคือให้รู้ที่มาที่ไปในทางรากสับเป็นเรื่องของภาษาทีนี้มันไม่ภาษาไม่จกแค่เรื่องของศั์เรื่องของความหมายตามตัว อ, อักษร นี่ความหมายที่สาคัญก็คือความหมายโดยอัตถะนิพการปรวาวณานี่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ชีวิตของพระภิกษุที่มุ่งหมายจะเจริญไตรสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปในการ พัฒนาตนหรือพัฒนาชีวิตทําชีวิตให้ดีขึ้นในศีสมาธิปัญญาโดยเฉพาะก็เริ่มต้นก็คือขั้นศีลซึ่งอาศัยวินัยแหววินัยนี้ก็มาเป็นเรื่องของชีวิตที่อยู่ร่วมกันชีวิตชุมชนชีวิตสังฆะแค่นี้ชีวิตสังฆะก็ต้องทําสังฆะชีวิตหมู่คณะนี้ให้มาเอื้อต่อการเจริญไตรสิกขา การฝึกฝนพัฒนาตนของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าก็จะทรงวางวิธีปฏิบัติต่างๆมากมายเพื่อให้การอยู่ร่วมกันหรือชีวิตสังฆาเนี่ยมาเอื้อต่อการพัฒนาตนตามหลักใจสิกขาเรื่องของสังฆกรรมอวรณานี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะให้เกิด วิธีปฏิบัติในการที่ว่าการอยู่ร่วมการชีวิตส่วนรวมนั้นมาเอื้อต่อการพัฒนาตัวของแต่ละบุคคลแล้วมันก็เลยทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นหรือความหมายที่ดีงามขึ้นทั้งสองด้านทั้งชีวิตบุคคลและทั้งชีวิตส่วนรวมสังคสังคะในแง่สังคารนั่นก็ทให้เกิดความสามาัคคี ม, มองได้กว้างว่าเมื่อเรามีการเปิดเผยตัวต่อกันให้โอกาสแก่การเชื่อเชิญกันให้มาบอกกล่าวว่ามีการทำผิดอะไรก็ไม่ต้องโมยอึดอัดกันอยู่แล้วก็เก็บไว้ในใจเกิดความกดดันเกิดความเคลือบแคลงกันก็มาพูดจาเปิดเผยกันได้นี่ก็ทำให้เกิดความสามัคคี อันนี้ก็เป็นข้อสาคัญในชีวิตส่วนรวมอันนี้ด้านหนึ่งแต่ว่าลึกลงไปก็คือในการที่มีสามาัคคีนั้นก็ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันมาเอื้อประโยชน์ต่อกันในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวของแต่ละบุคคลแต่ละคนนั่นก็ได้โอกาสได้เพื่อนาสตร์ธันมิกเป็นกาลยานามิตรมาช่วยแนะช่วยนำช่วยบอก กล่าวแม้แต่เรื่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรก็จะได้มีทางปรับปรุงตนจุดนี้แหละที่ว่ามาเป็นถ้อยคำในการปรนารซึ่งเราก็ต้องมาแปลกันอีกเหมือนกับมาเตือนหรือมาย้ำกันข้อความในการปรณานี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการที่จะมาแก้ไขปรับปรุงตน บอกว่าสังคัมพันเตปวารเรมิท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอปรณ า, ากระสงปรณ า, ากระสงก็อย่างที่ว่าแปลว่าเชิญหรือว่าเปิดโอกาสบางทีเราแปลกันสมแบบเนี่ยแบบหนึ่งก็คือเปิดโอกาสอย่างปรณนายโยมปรณ า, ากับพระก็เปิดโอกาสให้ขอได้โยมปรณ า, ากับพระในพระปรณ า, าต่อกันก็ปรานน่าเปิดโอกาสให้มาเตือนกัน ให้มาชี้ความผิดกันแต่ว่าในที่นี้ท่านแปลเป็นเชิญเลยน ะ, อะขอแทรกนิดพระไตรปิฎก ข, ของฝรั่งก็ตกลงกันเขาก็ใช้คำว่าเชิญเวลาแปลปรานาเนี่ยก็ใช้หัวข้อว่า the invitation เลยนะคือใช้เป็นสับเหมือนกับสับมัญหัดนะคล้ายๆอย่างนั้นใช้เรียกการปรนาที่เป็นสังครรมนี้ว่า the invitation ก็ใช้ว่าเป็นการเชิญจะเป็นเชิญเป็นเปิดโอกาสก็ได้สาระความหมายเดียวกันก็ข้าพเจ้าขอปรณากับสงฆ์ขอเปิดโอกาสหรือเชิญสงฆ์ทิเถนวาสุตเตนวาปริสังกายวาจะโดยได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามหรือได้แม้แต่เพียงระแวงสงสัยก็ตามคือหมายความว่า เห็นได้ยินหรือสงสัยข้าพเจ้าทําความผิดเพืพืชใหม่เหมาะสมในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่งงางนั้นงี้นะวะัฏฐานตุมังอายัสัมมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะขอท่านภูมิอายุทั้งหลายอาศัยความเกื้อก้ารุนอนุกรรมปังอุปาทายะจงบอกกล่าวกับข้าพเจ้าหรือว่ากล่าวข้าพเจ้าวทัทฐานตุมัง ปัดสันโตปฏิกริษามิเมื่อข้าพเจ้าเห็นจกักแก้ไขอันนี้ก็มาจบทีท้ายนี่แหละก็คือว่าในทำความผิดอะไรๆเออจะได้มาพิจารณาตัวตรวจสอบตัวเองตามที่ท่านได้มาบอกกล่าวนั้นแล้วก็เมื่อเห็นหนึ่งละข้อผิดพลาดไม่สมควรแล้วก็จะได้แก้ไขว่าตก ท้ายที่คำว่าปฏิกริษามิเนี่ยสำคัญที่สุดก็ตัวหัวใจเลยปฏิกรินี่เป็นตัวปฏิการานี่เป็นตัวสาคัญปฏิกริสามิก็คือปฏิกระนีก็เข้าหลักสาคัญในทางธรรมะหรือในที่นี้ก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติในทางวินยัยเรียกว่าปฏิกรรมจะเห็นว่าปรณานี้ก็สาระสาคัญอยู่ที่ ให้มีวิธีปฏิบัติในการที่จะช่วยกันในการแก้ไขปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติของกันและกันซึ่งแต่ละท่านนั้นก็อยู่ในสังฆะที่จะเป็นผู้เจริญไตรสิกขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ในการเจริญไตรสิกขาในการที่จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมี ปฏิกร้นี่เป็นวิธีปฏิบัติสำคัญอันหนึ่งปฏิกระนี้เมื่อทำเป็นศั์นามก็เป็นปฏิกรรมนะเพราะฉะนั้นในคำพีนี้จะมีคำว่าปฏิกรรมเนี่ยเยอะซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตกันนะเมื่อเราพูดรวบรลัดสรุปก็บอกว่าสาระของบารณะนี่อยู่ที่ปฏิกรรม หรือประวารณาเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อจะช่วยให้หลักปฏิกรรมเนี่ยดำเนินไปหลักปฏิกรรมนี้สำคัญมากในพุทธศาสนาแล้วในระดับของวิถีไหนเนี่ยจะมีอย่างน้อยสามหลักที่มาจะเรียกว่าเอื้อหรือมาเป็นตัวกำหนดก็ได้ให้เกิดปฏิกรรมเรียกว่ากำหนดเลยกาหนดให้เกิดปฏิกรรมอืดไรบ้าง หลัก3อย่างนั้นในระดับวินัยที่พุทธเจ้าทรงวางสั่งสอนไว้ให้เพื่อให้เกิดปฏิกรรมซึ่งเป็นหลักการสําคัญในการทํากรรมในการปฏิบัติในเรื่องกรรมให้ถูกต้องแล้วก็จะได้เข้าไปสู่กระบวนการของไตรสิกขาจเจริญในไตรสิกขาก็หนึ่งง่ายๆก็คือเรื่องของอาบัต การออกจากอาบัตทั้งหมดเนี่ยท่านเรียกก็ปฏิกรรมเวลาสรุปใช้สับสันเราไปดูในคัำพใีในพระไตรปิฎกเวลาท่านตั้งหัวข้อเนี่ยอย่างเราแสดงอบัตมันก็ได้แค่เทศนาวิธีเป็นตน้นอาปติเทศนาก็แสดงอบัตแสดงอบัตปฏิเทศนามันก็เ็นปฏิเทศเสมิมันก็ได้แค่และดับหนึ่งมันไม่ครบแต่ถ้าปฏิกรรมนี่ครบเลยอบัตที่ยังแก้ไขได้อะ ก็อยู่ในปฏิกรรมหมดเพราะฉะนั้นคําสรุปหรือคํารวมของท่านในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องความการทําความผิดที่เรียกว่าอาบัติก็คือปฏิกรรมนี่คือหลักที่หนึ่งของปฏิบัติในระดับวินัยที่หนึ่งก็คือท่านต้องการว่าเมื่อพระพิสุทธิ์ทำความผิดแล้วหนึ่งต้องเปิดเผยตัวบอกความจริงการแสดงอาบัติก็เปิดเผยตัวบอกความจริงแล้วก็รมชัยท่านนั้นก็ แก้ไขต่อไปก็ละเลิกไม่ทำความผิดนั้นอีกแล้วก็ไปทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องสารวมระวังต่อไปใช่ไหมอายะติสังวรายะนะเพื่อความสารวมระวังต่อไปเนี่ยจุดสำคัญของปฏิกระานี้จะไปสัมพันธ์กับสังวรอีกนะเพื่อสังวรต่อไปเพราะนันน้นหลักที่หนึ่งชัดเลยก็คือเรื่องของอาปติ ก็เรียกง่ายๆว่าอาปฏิปฏิกรรมะการแก้ไขในเรื่องของอาบัตแล้วก็มาปวรณาณิเนี่ยปวรณาณ้ก็ชัดก็ปฏิกรปฏิกริามิจะแก้ไขก็ปฏิกรรมถ้าพูดเป็นภาษาไทยจักทำปฏิกรรมนั่นเองนี่ต่อไปนี่ยังมีอีกหลักหนึ่งอันนี้ขยายกว้างไม่ใช่เป็นวินัย แค่ในสิกขาบทในปาติโมกสองร้ 7, แล้วก็นอกปาติโมกในขันธกะเท่านั้นแต่ น, นี้กว้างออกไปถึงอริยวินัยนอะอริยวินัยนี่ถึงคารือหัดด้วยอริยวินัยแต่ท่าสังเกตนะวินัยเนะย น, ยนี่ยมีคำหนึ่งที่สําคัญคืออริยสักวินัยเย่ถ้พูดง่ายๆก็คืออริยวินัยซึ่งใช้กับคารือหัดด้วยตอนนี้ก็จะมี วิธีปฏิบัติที่วางเป็นแบบเลยในเรื่องของปฏิกรรมเนี่ยบางครั้งมีพระภิกษุบางรูปปฏิบัติไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าท่านรู้ตัวท่านก็บางทีเดินทางมาไกลนะเพื่อมาขอขามาต่อพระพุทธเจ้ามาขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับว่าท่านทําความผิดไปแล้วคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าคือยกตัวอย่างที่ปังกทานิคม พระพุทธเจ้าเสด็จไปก็แสดงทำอะไรต่างๆเรียกเกี่ยวกับศิกขาบทเรื่องการปฏิบัติตามพระวินัยพระโหน้าที่นั่นพระเจ้าวาดฟังแล้วขัดใจว่าพระพุทธเจ้านี่อะไรกันนักหนาเคร่งครัดยุมยิ้มท่านก็มีใจไม่ดีนะคิดไม่ดีพูดง่ายๆต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า แสดงทมแสดงวินัยสั่งสอนเสร็จแล้วต่อมาพระองค์ก็จาดิกต่อไปจนกระทั่งเสด็จมาถึงที่ประทับแล้วท่านองค์เนี้ยที่เป็นเจ้าว่ามาเกิดสำนึกผิดว่าเอที่เราคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็เกิดร้อนใจว่าจะต้องไปขอขามาก็เดินทางไปหาไปเฝ้าพระุตตเจ้าก็บอกขาพเาเมื่อพระองค์เสด็จไปเนี่ย ทรงแสดงทมแสดงวินัยอธิบายสิกขาบท ต, ต่างๆข้าพระองค์ได้มีความคิดไม่ดีต่อพระองค์อย่างนี้วันนี้ข้าพระองค์สนึกผิดก็ขอมาคล้ายๆขอเข้ามาพระเจ้าก็ตรัสเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นทํานองว่าพระองค์นี้ชื่อเป็นกัสปะโคดพระเจ้า ก, ก็ใช้คําอาลพันนารียกว่ากัสปะก็บอกบุตรทีเหสาบกัสปะ อริยสักวินยเยนี่นะเนี่ยสำคัญมุทิเหสากัสะสะอริยสักวินยัยเยยโยอัจยังอัจยโตทิสวายาถาธรรมมังปติการติอายติงสังวรังอาปัจชติว่างั้นเนี่ยมาและไอ้ปติกรรมเนี่ยชัดเลยนะปติการติไงะนะก็อบอกว่า เป็นความนี้เป็นความเจริญงอกงามในวิในของอริยะเราก็แปลให้เข้ายุคสมัยว่านี้เป็นความงอกงามในวิในของอาริยชนพุธิเหสากัสปะอริยสวินวัยเยโยอาจจยังอาจยตโตทิสวาคือการที่บุคคลเห็น โทษที่ล่วงเกินหรือข้อที่ละเมิดล่วงเกินกันไปแล้วโดยความเป็นโทษที่ล่วงเกินยาถาธรรมบางปฏิกรุติแล้วก็ทําการแก้ไขตามธรรมใช่ไหมเนี่ยยาถาธรรมบางปฏิกรตินี่แหละตัวปฏิกรรมมาแล้วก็คือทําปฏิกรรมให้เป็นไปตามธรรมห้ติงสังวรังอาปัจชติถึงความสํารวมระวังต่อไป ก็สังวรรณะแหละนะแบบเดียวกันเรื่องอาบัติจะมีสังวรรณนะตลองว่าปฏิกรรมมาชัดเลยนะจะมีเรื่องเยอะแล้วพุทธพจน์หรือคำกล่าวแม้แต่ไปคองพรวเทราต่างๆก็จะใช้เรียกได้ว่าเป็นคำแบบอย่างนี้เหมือนกันหมดก็เปลี่ยนแต่ตัวอารพปณะอย่างเดียวอย่างมีเรื่องมีพระภิกษุบางรูปก็ประพฤติผิดต่อภาษาดิบุตร แล้วก็มาขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับความผิดแล้วก็ขอขอมาก็จะมีพุทธพจน้ออกมาหรือแม้แต่มีกษัตริย์บางองค์เคยคิดไม่ดีทำไม่ถูกต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาสานึกผิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสคำนี้แต่เปลี่ยนไปนว่าบุต ah ิเหสามหาราชะอริยสวินเยแล้วก็จะเห็นว่าหลักการนี้ขยายกว้างไปถึงครุขรห์ ด, ด้วย เพื่อป็นอริยะวิ น, นัยกว้างขวางก็เลยยกมาให้เห็นว่านีเรื่องปฏิกรรมในเรื่องใหญ่เนี่ยก็เป็นหลักปฏิบัติสาคัญเพื่อจะให้การจเจริญใยศึกขาเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเริ่มแต่ระดับศีลขึ้นไปโดยการวางเรื่องข้อปฏิบัติในทางวินัยให้มาเอือ้อมาช่วยมาหนุนมากํากับหรือมาสำทับให้มันเป็นไปได้ เราจะไปมองข้ามเพราะฉะนั้นน่าจะยกไอ้คําว่าป ฏ, ฏิกรรมเนี่ยขึ้นมาเน้นให้ความสําคัญกันเพราะบางทีไม่ได้สังเกตว่าไอ้คำว่าป ฏ, ฏิกรรมเนี่ยมีในคำภีร์เป็นคําสําคัญแล้วก็ออกมาในรูปต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็นรูปกริยามันก็เลยเป็นปฏิปฏิกริษามิบั้งปฏิกรโรติบ้างใช่ไหมฮะเนี่ยบางแห่งก็เป็นปฏิกรณะ บาลีก็อันเดียวกันแหละปฏิกระแล้วก็จะแจกรูปไปเป็นอะไรเป็นการวจนะบุรุษอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะเป็นปฏิการณะเป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิกรรมัมเป็นปฏิการะปฏิการะมาตอบแทนคุณวิดามันดาเป็นต้นก็แก้ทางนั้นแหละคือการแก้ไขหรือการทาตอบแทนทาใหม่ทำใหม่ให้มันดีขึ้น การแก้ไขปรับปรุงนั่นเองพูงง่ายๆะนการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็คือปฏิกริรมเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนเบื้องต้นกว่าได้ของการเจริญไตรสิกขาแล้วก็สำหรับคฤหัสถ์ก็น่าจะนำมาแนะนำกันให้มากๆเพราะบางทีเอาไปพูดเรื่องแก้กรรมกันในความหมายที่มันผิดๆใช่ มีการไปแก้กรรมโดยทำวิธีอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องของการอะไรเรื่องพิธีศักดิ์สิทธิ์อภินิหารอะไรไปแทนที่จะเป็นการแก้กรรมที่เรียกว่าปฏิกรรมตามพุทธโอวาทหรือว่าตามพุทธานุสาสนีคํคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาับไปอนวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ถือว่าควรจะยกหลักเรื่อง ปฏิกรรมนี่คือมาย้ำเมันเห็นเพราะว่าวัน פור นาก็คือวันหนึ่งที่มีการเตือนกันมาเตือนกันขึ้นมาให้นําเอาหลักปฏิกรรมนี้ขึ้นมาใช้แล้วก็ใช้ได้เรื่อยไปแหละเพราะปรณาท่านก็ไม่ใช่ไปข้อปฏิบัติเฉพาะวันนี้ก็คือมามาทํากันในที่ประชุมให้มันชัดว่าเราเปิดโอกาสแก่กันในการที่จะมาเตือนกันได้ ก็เตือนกันได้เรื่อยไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรียกว่าเฉพาะตัวก็ทําผิดเป็นอาบัติก็ปฏิกรรมอีกนะีแล้วก็อย่างที่ว่ามีการล่วงเกินซึ่งกันและกันก็ปฏิกรรมอีกในเรื่องของหลักบุติเหสาอริยนสวินยเยเนี่ยสามอันนี้ช่วยเยอะเลยในสังคมทั้งสังฆะและก็สังคมกฤหัตก็น่าจะได้ขยายแพร่ออกไป เพราะบางทีชาวพุทธเราเนี่ยก็มองหลักการกรรมนแคบไม่คิดในการแก้ไขปรับปรุงตนเราพูดได้ว่ากลายเป็นนักรอกรรมรอกรรมหรือรอผลกรรมเป็นกันมากอันนี้น่าเป็นห่วงรอกรรมรอผลกรรมก็กลายเป็นลทัทธิประเภทไม่กร ะ, ระทําลัทธิอกิริยาลทัทธิประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยา เือการไม่กระทํานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทีเรียกว่าติดถายยจนะเป็นลัทธิเดร์ลัทธิลัทธิที่เป็นไปเพื่ออกิริยาเพือการไม่กระทําที่ตรัสไว้สามแดนกัติดถายยจนะสามอะไรบ้างหนึ่งปเุเพกตะเหตุวาดลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะประสบสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในชาติปางก่อน ยาวามาปนกับพุทธศาสนานะลัทธิกรรมเก่าแล้วก็สองลัทธิอิสระนิมานะเหตุว่าหรืออิสวนนิรมิตว่าลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะประสบสุขประสบทุก์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเป็นอย่างไรก็เป็นไปเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บระดาอันนี้ก็เราทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแต่เทพเจ้าจะโปรดหรือไม่ ดั น, นั้นอยากให้ท่านโปรดก็ไปอ้อนวอนเอาใจท่านซะอะไรทํำนองนี้ลัตทีที่สองทีนี้ลัททีที่สามก็บอกว่าบุคคลจะประสบสุขทุกขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเนี่ยก็เป็นไปแล้วแต่โชคถึงคราวมันก็เป็นไปเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเรียกว่าอาหิเตตุปัจจะยวะวเรียกสันส้นๆว่าอาเหตเตวะเนี่ยลัตทีพวกนี้ในถือเขาแล้วก็ มันก็ไม่เห็นความจะเป็นที่จะต้องมาทำอะไรเพียรพยายามอะไรก็รอผลกรรมชาติบางก่อนหนึ่งรอให้เทพะจาพ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านโปรดอย่างหนึ่งแล้วก็รอโชคอย่างหนึ่งแล้วแต่มันจะเป็นไปรัตที่สามรัตทีนี้ไม่เอื้อต่อการกระทำความเพียรไม่เอื้อตรหละกรรมเนี่ยไม่ทำให้เรา ประกอบกรรมที่ดีละที่หลักกรรมที่แท้มันไม่ใช่ละที่หล่อผลกรรมให้ทํากรรมกรรมที่ชั่วที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลก็ให้ละเลิกเสียเมื่อละเลิกกรรมชั่วร้ายแล้วก็หันมาทํากรรมที่ดีหรือเปลี่ยนมาทํากรรมที่ดีตอนนี้ก็เป็นปฏิกรรมขั้นหนึ่งแล้วคือละกรรมชั่วหันมาทํากรรมที่ดีก็เป็นปฏิกรรมแล้วก็ทํากรรมที่ดีน้อย หรือได้ผลน้อยก็มาปรับปรุงแก้ไขทากรรมที่ดียิ่งขึ้นหรือได้ผลดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปฏิกรรมเหมือนกันอันนี้แหละหลักกรรมมันสำคัญอยู่ที่นี่แล้วเมื่อเราทำกรรมตามหลักนี้นะมีการละชั่วทําดีทําดียิ่งขึ้นไปมันก็เจริญในายศึกขาการฝึกฝนพัฒนาตนมันก็เป็นไปได้กรรมมันก็กลายเป็นการที่มาเจริญใจศึกขานั่นเอง การเจริญใจศิกขาก็คือละกรรมชั่วทำกรรมดีกรรมทำกรรมดียี่ขึ้นไปมันก็เป็นมโนกรรมกายกรรมวจิกรรมอะไรต่างๆเหนี้การหลักกรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ถ้าในทำกรรมดีเพื่อจะให้มาเจริญพัฒนาชีวิตมันก็เข้ามาในใจศิกขานั่นเองเมื่อทำกรรมถูกต้องก็เจริญในใจศิกขาเรื่องกรรมกับเรื่องใจสิกขาก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นคนไทยเราจะเจริญในใจสิกขาได้ไงถ้ามัวรอกรรมอยู่ รอผลกรรมอ่ะรอผลกรรมดีไม่ดีก็ไปรัดที่ที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมเป็นปุเพกตะวาดหรือปุเพกตะเหตุวา่ารอผลกรรมเก่าในชาติบางก่อนทะานั้นก็คงจะต้องช่วยกันเยอะๆหน่อยคือว่าไม่ให้รอผลกรรมไม่ให้นักไม่ให้เป็นนักรอผลกรรมรอไปแล้วก็เลยตกอยู่ในความประมาทตกในความประมาทก็ไม่พัฒนาตนใช่ไหม ไม่พัฒนาตนก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขกรรมที่ทํามาให้มันดียิ่งขึ้นก็ไม่เจริญในตรีศิกขามันก็เดินหน้าไปในมันคาหรืออริยมรรคไม่ได้ดะงนั้นตรงนี้ต้องเรียกว่าแม้แต่หลักกรรมที่เป็นหลักที่ลู ก, กันทั่วไปก็ต้องมาตรวจสอบและแก้ไขก็ให้ถูกต้องมันจะได้เกิดปฏิกรรมขึ้นมาวันนี้ก็เลยเอามาคุยกันเรื่องหลัก ถือว่าที่จริงขั้นต้นบางทีเรามองข้ามไปก็เลยอยากจะยกคําว่าปฏิกรรมนี้กันขึ้นมาให้ช่วยกันสนใจอีกทีอย่างน้อยว่าในระดับวินัยสหลักแล้นะหนเรื่องของการแก้ไขอาบัติอาปฏิปฏิกรรมะนะสองก็เรื่องของปรนน า, านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของปฏิกรรม แล้วก็สามก็เรื่องของการละเมิดต่อกันตามพุทธตามพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสเป็นแบบมาในพระไตรปิฎกล่ามากมายหลายแห่งว่าวุทิิเหสาจุด ๆ, ๆอาราปณะแล้วก็อริยสัวินเยนี่แหละที่เป็นว่ายาถาธรรมังปฏิกรติทำปฏิกรรมให้เป็นไปตามธรรมได้สามข้อนี่ก็มีทางที่ จะเจริญในไตรศิกขาการปฏิบัติในเรื่องกรรมจะได้ถูกต้องขึ้นและก็การแก้กรรมก็จะได้ไม่เอาไปใช้ผิดผิดก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยกันก็ขอว่าโมทนาทุกท่านที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนเฉพาะวันนี้ก็มาร่วมสังคกรรมที่เป็นหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการในทางพระวินัยเป็นเรื่องของสังฆ เป็นเรื่องของชีวิตของส่วนรวมที่เราอยู่ร่วมกันที่จะมาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่ามาวางวิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นแบบไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันได้ความสามคัคคีพร้อมกันนั้นก็ให้แต่ละท่านที่อยู่ร่วมกันนี้มามีชีวิต มีความเป็นอยู่มีการปฏิบัติที่เอื้อต่อกันและกันในการที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านจะได้เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปในการแก้ไขปรับปรุงตนแล้วก็เจริญขึ้นไปในเรื่องปฏิกรรมแล้วก็ในการพัฒนาใจศิกขาวันนี้ก็คงจะขออนุโมทนาไว้เท่านี้พราะตอบวันนี้ก็ออกพรรษาพุ่งพอรุ่งอรุณก็แปลว่า อาจจะมีการจาริกไปแยกย้ายกันไปถ้าสถาบันการศึกษาปิดด้วยก็เลยแยกไปอยู่โน่นไปอยู่นี่กันไปก็ไปโปรดญาติโยมประชาชนทว่าไปแล้วออกพรรษานี้ก็คือระยะเวลาที่พระสงฆ์ออกจาริกกันใหม่นะเหมือนกับว่าเรามีการตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าวันนี้เราเรามีประเพณีตักบาตรเทโวว่า ในวันมหาปราณาพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเสด็จประจำวันษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงวิธรรมพระเทศนาในพระพิธรรมกถาตลอดเวลาสาเดือนไตรมาสโปรดพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงแจะกลรวมทั้งพุทธมารดาที่ลงมาจากชั้นดุสิตเสร็จแล้วพอออกบรรษาวันมหาปราณาก็เสด็จลงจากเทวโลกก็เรียกว่าเทวโรหณนะ ชาวโลกคือชาวมนุษย์ทั้งหลายนี้คิดถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานา น, านถึงสมเดือนไม่ได้เฝ้าคิดถึงมากตอนนี้พระพุทธเจ้าจะกลับมาที่เราแล้วก็เลยต้อนรับกันเป็นการใหญ่ก็เกิดประเพณีตักบาตรเทโวก็มองกว้างไปก็เหมือนกับว่าตอนนี้ญาติโยมกาทาพิธีต้อนรับพระสงฆ์ที่กำลังจะ จาริกออกจากวัดไปสู่ท้องถิ่นชนบทต่างๆเพื่อโปรดประชาชนตอนนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูการที่ประชาชนเขาบอกแล้วว่าเราทั้งหลายขอต้อนรับพระพปะ็นเจ้าทั้งหลายที่จะจาริกมาโปรดสัตว์ไปแสดงธรรมกับญาติโยมต่อไปก็เราได้ปรณนากันแล้วก็ได้สร้างทุน เสริมทุนเพิ่มเติมในการสามัคคีในสงฆ์แล้วก็ขอให้ต่อจากนี้ก็นำเอาข้อปฏิบัติความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผื่อแผ่ประชาชนซืบต่อไปก็คิดว่าทางสถาบันการศึกษาได้ทราบว่าก็จะปิดในระยะนี้ด้วยแต่ละท่านก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนท้องถิ่นญาติโยมนำเอา ธรรมะไปให้ทั้งโดยพูดและโดยไม่พูดนําธรรมะไปโดยไม่ต้องพูดอย่างน้อยให้ญาติโยมเห็นแล้วก็ชื่นใจได้ภาษาท่จิตใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขนําความร่มเย็นเป็นสุขไปให้แล้วก็ถ้าสามารถก็ช่วยสอนธรรมะให้โยมได้มีความรู้ความเข้าใจ ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาจเจริญงอก ง, งามยิ่งก็จะทําให้ชีวิตของญาติโยมประชาชนมีความสุขแล้วก็เพื่อแผ่ขยายกว้างขวางออกไปก็เป็นสุขกันทั่วกันก็จะเข้าคติตามพุทธโอวาทิจัดไว้ว่าให้จาริกไปเพื่อพู้ชนผูชนะทายะผูชนะสุ ข, ขายะโลกานุ ก, กามปลายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ผูุชน และเพื่อเกื้อก้ารุญแก่ชาวโลกก็ขอให้ทุกท่านได้มีกําลังพรั่งพร้อมทางกายทางใจทางปัญญาทางความสามาขี่ที่จะได้ไปบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนดังที่กล่าวมาพร้อมทั้งตนเองก็จเจริญงอกงามในพระธรรมวิ น, นัยยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมษนาทุกท่าน ขอให้เจริญสุขทุกทันทุกเมื่อเถิด